คนในประเทศไทยคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธต่างก็รู้ดีถึงศีลห้าว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรรักษาแต่บางคนก็เป็นผู้นําในชุมชนจนถึงผู้นําในระดับประเทศก็ยังส่งเสริมและบางครั้งก็ทําผิดศีลห้าใชเองหรือไม่ว่าจะเป็นครูและพ่อแม่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆให้ทําตามไม่ใช่ได้แต่สอนเด็ก แต่ผู้ใหญ่กลับทำผิดเสเองพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสสอนไว้ว่าทำสองประการที่จาแนกให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเพราะมนุษย์โดยทั่วไปนั้นจะมีความละอายและมีความเกรงกลัวต่อบาปแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นโดยทั่วไปจะไม่มีทำสองประการนี้ แต่ถ้ามนุษย์คนใดไม่มีซึ่งทำสองประการนี้มนุษย์คนนั้นก็เป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกายแต่ใจนั้นเป็นใจของสัตว์เดรัจฉานจะนานบ้างไม่นานบ้างก็แล้วแต่กำลังของสติปัญญาของแต่ละคนขณะใดที่เรารักษาจิตให้มีทำสองประการนี้ขณะนั้นเราก็เป็นมนุษย์ทั้งกายและใจจึงช่วยกันรณรงทั้งตัวเรา และผู้อื่นให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์กันเถิดสังคมของมนุษย์ที่แท้ก็จะเป็นสังคมแห่งสันติสุขผลของบุญที่ต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องการกระทาที่ทำให้เกิดบุญสามประการนั้นก็คือหนึ่งบุญด้วยการบริจาคทานสองบุญด้วยการรักษาศีลและสามบุญด้วยการเจริญภาวนา บางคนทำบุญได้การบริจาคทานนิดหน่อยมีเจตนาในการรักษานิดหน่อยและไม่ตั้งใจในการเจริญภาวนาบุคคลเช่นนี้เมื่อตายไปถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เกิดในตระกูลต่าฐานะยากจนเป็นคนโง่ไม่ฉลาดและสติปัญญาน้อยบางคนทำบุญได้การบริจาคทานพอประมาณ มีเจตนาในการรักษาศีลพอประมาณแต่ไม่ตั้งใจในการเจริญภาวนาบุคคลเช่นนี้เมื่อตายไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เกิดในตระกูลดีขึ้นฐานะก็ดีความฉลาดปานกลางและสติปัญญาปานกลางบางคนทำบุญด้วยการบริจาคทานจำนวนมากมีเจตนาในการรักษาศีลดีแต่ไม่ตั้งใจในการเจริญภาวนา บุคคลช่นนี้เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาในชั้นต่างๆตามความซามและประณีตของบุญนั้นๆการทําบุญด้วยการบริจาคทานมีผลอนิสง์ที่ดีแต่การรักษาศีล น, นั้นมีอนิสง์ดีกว่าแต่การเจริญภาวนา น, นั้นก็มีผลมีอนิสง์ที่เลิศสูงสุดทานเหมือนกันแต่อนิสง์ไม่เหมือนกันการทําบุญด้วยการให้ทานนั้น จำนวนทานเหมือนกันแต่ได้รับอนิสงไม่เท่ากันก็มีขึ้นอยู่กับความคิดและความผูกพันในทานและผลของทานนั้นทำทานที่ได้ออนิสงไม่มากนักคือการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลที่การให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยความคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลทานนี้ อนิสงของการให้ทานนี้จะมีไม่มากนะักทำทานที่ได้อานิสงยิ่งขึ้นคือในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลที่ให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้สวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นความดี ทำทานที่ได้อานิสงส์ยิ่งขึ้นคือไม่คิดแบบเดิมแต่ให้คิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทํามาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีทาทานที่ได้อานิสงส์ยิ่งขึ้นคือไม่คิดแบบเดิมแต่ให้คิดว่าเราหุงหากินเองได้แต่พระท่านหุงหากินเองผิดวินยัยเราไม่ให้นั้น ไมม่สมควรทําทานที่ได้อานิสง์ยิ่งขึ้นคือไม่คิดแบบเดิมแต่คิดว่าเราจะเป็นผู้จําแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนมีการบูชามาหายันทําทานที่ได้อานิสง์ยิ่งขึ้นคือไม่คิดแบบเดิมแต่ให้คิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและเบิกบานใจ ทำทานให้ได้อานิสงส์ยิ่งขึ้นคือไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตจะเรื่อมใสเกิดความปลื้มใจและเบิกบานใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตประดับแวดล้อมจิตรวบรวมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมถึงฐานะอันประเสริฐวัตถุโลดจิตใจผู้ให้เลิศจิตผู้รับเลิศอ น, นิสง์ย่อมเลิศทางลงนรกทางขึ้นสวรรค์ครั้งนั้นท่านอนาธบินทิกะขหบดี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่อันควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนคฤาะห บ, บดีบุคคลไม่งดเว้นจากการกระทำห้าประการเราเรียกว่าเป็นผู้ทุศีลย่อมเข้าถึงทุกคติมีนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายการกระทำห้าประการนั้นคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ และเปียกเบียนสัตว์สองการลักทรัพย์และคดโกงสาการประพฤติผิดในการมสการพูดโกหกหาการเด่มสุราเมรัยและของมึนเมาบุคคลผู้ประกอบการกระทำห้ประการเราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติกาเนิดที่ดีเหมือนถูกเชิญมาอยู่ในสวรรค์การกระทำห้าประการนั้น คือหนึ่งงดเว้นการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์สองงดเว้นจากการลักทรัพย์และคดโกงสามงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามสี่งดเว้นจากการพูดโกหกห้า ง, งดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยและของมึนเมาบางคนประมาทคิดว่าบุญบาปและนรกสวรรค์คงไม่มีจริงจึงยังมัวเมาอยู่แบบโลกโลกทั้งยังเพลิดเพลินอยู่ในอบายมุขและการผิดศีล เมื่อความตายมาถึงท่าบุญและบาปและนรกสวรรค์มีจริงคุณก็จะเดือดร้อนถึงตอนนั้นใครจะช่วยคุณได้ ความสุขของพระเจ้าจากกักรพรรดิพระพุทธเจ้าเคยตรัสแต่พิสุทั้งหลายว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิครองราชสมบัติทั้งสี่ทวีปสวรรคตแล้วย่อมเกิดในสวรรค์ได้เป็นสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงและมีนางฟ้าแวดล้อมมากมายมีความสุขได้กรารมาคุณห้าอันเป็นทิพณนะสวนนันทวันในดาวดึงพิภพนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่พ้นจากนารก จากกาเนิดสัตว์เดรัจฉานจากเปรตอสุรกายไปได้ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงกระแสะแห่งนิพพานคือพระโสดาบันความสุขของพระเจ้าจั ก, กรพรรดนั้นน้อยมากไม่ถึงหนึ่งในสิหของพระโสดาบันและพระโสดาบันนั้นท่านก็พ้นแล้วจากการที่ต้องไปเกิดในนรกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตในอสุรกาย ท่านจะเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระอรหันต์และก็นิพพานในชาตินั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระโสดาบันคือใครพระโสดาบันไม่ใช่หมายถึงผู้บวชเป็นพระที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวจะนุ่งห่มผ้าสีอะไรหรือผู้หญิงผู้ชายก็ไม่สำคัญ แต่ท่านผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนถึงกระแสธรรมขั้นแรกนั้นคือพระโสดาบันและเป็นผู้ที่แน่นอนต่อการตรัสรู้ภายข้างหน้าและไม่ไปเกิดในอบายภูมิสี่ที่มีแต่ความทุกข์อย่างมากมายพระโสดาบันนั้นมีสามประเภทคือประเภทที่หนึ่งเกิดอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุอรหันต์ประเภทที่สอง เกิดอีกในตระกูลสูงอีกสองสามครั้งแล้วก็จะบรรลุอรหันต์ประเภทที่สมเกิดอีกไม่เกินเจครั้งก็จะบรรลุอรหันต์เหตุที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่อินทรีย์อันแก่กร้า่านกลางและอ่อนไม่เท่ากันตามลำดับนั่นเองมีทำอะไรจึงเป็นพระโสดาบันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการเป็นไฉนอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยหนึ่งมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่บุรุษบุคคลแดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรคำนับควรต้อนรับควรทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสมีการสํารวมด้วยศีลที่พระเรียเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวิงยูชนสารเสิญอันปัญหาและทิฏฐิไม่ลูบครามแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกย่อมประกอบได้ทำสี่ประการเหล่านี้และเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสจบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลยอ่อมบรรลุความสุขอันยั่งลงในพรหมจรรย์ตามการเป็นพระโสดาบันเพราะมีธรรมสี่ประการสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานอนท์อยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะ รุมสาวัถครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระ อ, อ น, นุ์ออกจากเที่ยวเรนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้แล้วก็ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านสารีบุตรเพราะเหตุที่ประกอบได้ทำเท่าไรหมูสัตว์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุเพราะเหตุที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการหมูสัตว์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการเป็นฉน อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคล้แล้วเป็นไปเพื่อสมาธิพระเหตุที่ประกอบธรรมีประการเหล่านี้แหลหมู่สัตน์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่ตรัสรู้ในเบื้องหน้าองค์ทําเครื่องบรรลุโสดาบันท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าองค์ทําเครื่องบรรลุโสดาบันมีดังนี้หนึ่งการคบกับสัตรบุรุษคือการได้คบค้าสมาคมกับท่านผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมได้พูดคุยซักถามปัญหาธรรมในสิ่งที่เป็นไปเพื่อให้เกิดกุศลธรรม 2. การฟังธรรมของสัตรบุรุษ คือการได้ฟังธรรมของท่านผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและธรรมบางอย่างที่เราไม่เคยได้ฟังก็จะได้ฟังธรรมบางอย่างที่เราเคยได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังอีกก็จะยิ่งตอกย้ำเพื่อให้หนักแน่นในธรรมนั้นๆันนสม การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีคือเราต้องฝึกคิดด้วยเหตุผลอย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาแล้วและต้องตายจากไปความดีความชั่วความถูกความผิดแก่นสารสาระของชีวิตคืออะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องบาปบุญกุศลนำมาซึ่งความสุขบาปอากุศลนำมาซึ่งความทุกข์เราจะเชื่อพระพุทธเจ้า หรือจะเชื่อความหลงความอยากความเพลิดเพลินในจิตใจของเราก่อนจะทําอะไรก็ต้องคิดดูให้ดีวันคืนผ่านไปเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีบุญกุศลถ้าไม่รีบทําเมื่อถึงตอนที่ต้องตายจริงๆมันจะสายเกินไปลูกหลานทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มี การปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่เช่นการรักษาศีลการสำรวมอินทรีย์การรู้จักประมาณในอาหารการมีสติสัมปชัญญะการรู้ลมหายใจเป็นธรรมส่วนย่อยของสติปัฏฐานสีมักมีองค์แปดเป็นต้นความจริงธรรมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อ ความเป็นพระโสดาบันอย่างเดียวแต่อำนวยผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในทางปัญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุพระอระหันต์จึงอาจเรียกชื่ออื่นๆได้อีกหลายอย่างองคุณของพระโสดาบันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะรัชกาลามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสงพันรูป เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบได้ทำสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า